คิดปล่อยวางสิ่งทั้งปวงจะไม่มีทางทำได้หากยังมีจิตที่ให้อภัยเป็นทานไม่เป็นความคิดกับจิตใจเป็นคนละอย่างกันถ้าอยากปล่อยอยากวางเสียทีแต่ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้นั่นเท่ากับคุณจะรู้เห็นด้วยประสบการณ์ตนเองแล้วว่าความคิดกับจิตใจเป็นคนละอย่างเป็นขั้วแตกต่างอยู่ต่างหากจากกัน ถ้าอาศัยแต่ความคิดแค่คิดว่าจะยึดต้นเหตุทุกข์ไว้ทำไมให้เหนื่อยเปล่าเท่านี้คุณก็ทิ้งความทุกข์ได้ไม่ต่างจากทมเสมหะแต่เพราะมีการทำงานของจิตเมื่อผูกมัดกับสิ่งใดด้วยกรรมแล้วก็ต้องติดแน่นอยู่กับสิ่งนั้นจนกว่าจะหมดแรงส่งของกรรมเก่าหรือมีกรรมใหม่ที่แรงพอจะเอาชนะได้ทางพุทธเราให้ทาอภัยทานไม่ใช่พระอยากให้ชาวพุทธโง่เขลาไม่ทันคน แต่เพราะอยากให้ฉลาดทันเกมกรรมใช้อภยทานเป็นฐานปล่อยสิ่งที่มีควรยึดสิ่งที่ยึดเวลาทุกเปล่ า, ลาก่อบาปก่อกรรมอันมืดบอดเปล่ า, ลาถ้าเปรียบความพยาบาทอาคาดแค้นเหมือนโซ่ใหญ่ก็ควรเปรียบอภยทานเหมือนใบเลื่อยต้องเลื่อยหลายครั้งอย่างใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะเห็นผลว่าโซ่ค่อยๆสึกค่อยๆกร่อนกระทั่งใกล้ขาดแล้วขาดสะบั้นจนได้ สรุปคืออาการหวงทุกอาการถือมั่นในสิ่งไม่ควรถือมั่นทั้งหลายสลัดให้หลุดไม่ได้ด้วยความคิดต้องอาศัยอภัยทานเป็นฐานแรกในการปลดปล่อยใครให้อภัยเป็นฐานไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นว่าหวงไว้ก็ทุกข์เปล่าถึงแม้อยากปล่อยวางเรื่องไหนก็วางได้แค่ระดับของความคิดเหมือนท่อที่ถูกอุดตันถ่ายเทน้าเสียไม่ออกวันอย่างค่ แม้พยายามเปิดประตูระบายแล้วก็ตาม